พวกเราได้มาอยู่ที่ภูหลงสามสี่วันแล้ว น, นะก็คงปรับตัวกันได้เราทำความคุ้นเคยกับกับวัดกับสถานที่กับกุฏิหรือที่จริงเวลาเราปฏิบัติต่อเนื่อง3ามสี่วันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่หนักเหมือนวันแรกแรกใช่ มั น, นแรกๆบางทีความง่วงนะเล่นงานเล่นงานเยอะหรือบางทีความฟุ้งซ่านนะก็ก็มีมากแต่พอเราเราปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนความง่วงก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นลหรือบางคนอาจจะไม่ไม่ค่อยง่วงแล้วไม่แต่ความคิดนะก็ ไม่ค่อยมากเหมือนก่อนหรืออาจจะมากแต่ก็ก็ไม่ลำคาญมันมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเฉยๆมันไม่ไม่ได้มีค่าแต่แต่ก่อนเราเราให้ค่ามันพอเราให้ค่ามันก็เดี๋ยวก็คอยสุขคอยทุกข์กับมันที่จริงการภาวนาก็คือการที่เราไม่ไปให้ค่ามันนั่นแหละ มันจะไม่ไปให้ค่าว่ามันดีว่ามันไม่ดีไม่ไปให้ค่ามันว่ า, อาชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ไปให้ค่ามันว่าถูกหรือผิดไม่ไปให้ค่ามันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ลหะคือคือการที่เราเกี่ยวข้องกับความคิดกับอารมณ์ที่มันที่มันแสดง เราก็แค่รู้แล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปสนใจมันมากถ้าเราถ้าเราสามารถวางใจแบบนี้ได้มันก็อารมณ์หรือว่าความคิดมันก็เราก็จะเห็นเขาเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งพอเราไม่สนใจเขาเขาก็หายไปมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะลองสังเกตตัว ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีอาการที่เป็นสุขหรือการที่เป็นทุกข์ก็ก็เขาก็แสดงเขามีกระบวนการของเขาแบบนี้ทั้งหมดเลยเราลองสังเกต ด, ดูจิตใจของเราเนี่ยแหละมันมแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็ น, นเราเรากลับมาดูตรงนี้นะกลับมาดูตรงนี้อย่าไปอย่าไปหลงว่าอะไรดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นในจิตนะ แต่เห็นเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แหละแล้วก็ค่อยสังเกตอย่างีุสติทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูอาการที่ที่แสดงเฉยไม่ต้องไปปรุงต่อไม่ต้องไปวิากษ์ิจารณ์ทุกอย่างนั่นแหละนะเนี่ยเรากลับมาหาหลักตัว น, นี้ยการภาวนาก็ก็จะไม่ยากนะอืเราดูสิ่งที่เกิดขึ้ น, นดูแบบไม่ไปให้ค่ามัน แต่รู้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่นะแต่มันสติมันจะคล่องตัวมันจะฉับไวเนะคล้ายๆเหมือนกับแมงมุมนะแมงมุมเขาเขาสร้างสายใยเนะส้นใยแมงมุมไอ้ตัวแมงมุมก็เกาะอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะพอมีแมลงนะมาติดใยแมงมุมมันมีความสั่นระเทือน แมงมุมก็ไปจับมแมลงทันทีจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตเราที่ตั้งมั่นอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวอยอนะพอมีความคิดแปลกฟอมเข้ามาอารมณ์แปลกฟองเข้ามามันก็มันก็ไปคล้ายๆมันรู้ละรู้แล้วก็มันตัดเองของมันนะไอการที่แค่รู้เฉยๆนั่นแหละมันเป็นพลังที่ไปตัดของมันนะเหมือนกับแมงมุมพอพอมีอะไรมากระทบ มันรู้แล้วว่าจิตมันหวันไหวนะมันก็มันก็จัดการทำให้เป็นปกตินะาศาสตรต่างๆเขาก็สอนธรรมะเรานะแง่มุมเขาก็แสดงอาการเช่นนี้มันก็เปรียบเหมือนจิตใจของเรา่น่ๆน ะ, ะนะบินไม่แต่นกเหยื่อนะก็บินด่อนอยู่ข้างบนฟ้านะบินด่อนแบบธรรมดาดูไม่มีพิษภัยอะไรนะแต่พอเขาเห็นเห็นหนูเห็น นกเล็กอยู่ข้างล่างเขาก็โชคออกมาได้ทันทีนะนกกระเตนนะเกาะอยู่บนใบบัวอยู่บนขอนไม้ก็เหมือนกันเกาะดูธรรมดาไม่มีพิกมีภัยอะไรแต่พอมีปลาว่ายมาใกล้ๆนะเขาก็โชวลงไ ป, ไปจับปลาได้จิตเราก็เหมือนกันนะการที่เราทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะ่นะน่ะ การตั้งมั่นในตอนเบื้องต้นในการที่เรารู้กายเคลื่อนไหวมีนะกรรมฐานเป็นอล ก, ก็เหมือนกับที่เรานะจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งไว้นะพออาการของจิตที่มันไหวไปเรารู้ทันมันทันทีอันนะี้ก็เหมือนกับการที่เราไปจับกิเลสรู้ทันกิเลสรู้ทันความคิดในจิตนั่นแหนะเป็นสิ่งที่ดีสุดเนาะการภาวนาไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรเนาะ มีบางคนบอกว่าบางทีพอถ้าสอบอารมณ์ทุกวันนะมันก็จะคิดหาคําพูดมามาตอบนะ น, นั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงนะอย่าไม่ต้องไปคิดหาคําตอบอะไรนะก็อไม่ต้องใจสร้างภาพให้เราดูดีอะไรนะให้เป็นพอรู้ว่ามันจะคิดนะเรื่องราวที่พูดคิดตอบคำถามคิด าถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นกระบวนการความคิดทั้งนั้นแหละแต่แม้แต่อัตมาเองยังก็ต้องก็ต้องรู้ทันเวลาเราปฏิบัติไปถ้ามันจะคิดเตรียมการเทศคิดเตรียมการสอนก็คือจิตมันเผลอไปปรุงแต่งนะเราก็เราก็ดับตรงนั้นเหมือนกันนะไม่ต้องไปเตรียมหลวงพ่อลงเขียนสอ น, นเรื่องการสอนธรรมะหรือว่าการ เจอสติเนี่ยไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมเพราะว่าให้เป็นปัจจุบันธรรมนะอะไรที่ที่ปรากฏเฉพาะหน้านั่นแหละความจริงนะเราจะไม่เอาสัญญาเก่ า, กามาเป็นตัวทําให้เราให้เราแบบไปติดกับกับภาพเดิมๆนะไม่เอาความกังวลใจหรือว่าการกังวลในอนาคตมาเป็นตัวทําให้เราต้อง ต้องเสียกับการอยู่กับปัจจุบันนะทุกอย่างนะถ้าเราอาศัยการใช้ชีวิตแบบนี้นะชีวิตมันก็จะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะแต่ชีวิตคนเราส่วนใหญ่มันใช้ชีวิตด้วยความด้วยความยึดติดกับประสบการณ์ในอดีตนะทิ้งกับประสบการณ์อดีตไม่ได้อีกอย่างนึงก็กงังวลหรือว่าปรุงแต่งกับอนาคตนะ จนต้องเตรียมตัวต้องจัดการอะไรมากมายเยอะแยนะนนี้คือการเสียเสียเสียสภาวะปัจจุบันของจิตไปนะอันนี้ถ้าเราส่วนะนที่เราภาวนาในรูปแบบหรือว่าอยู่ในกรรมฐานเป็นหลักนะเราให้กลับมาหยุดกับปัจจุบันเป็นหนักไปเลยนะให้ดูว่าความกังวลถึงอนาคตหรือว่าสัญญาในอดีตประสบการณ์ดีตที่มันมาหลอกในตอนปฏิบัติเนี่ย คือสิ่งที่มันมาหลอกเท่านั้ น, นทิ้งมันหมดเลยตอนที่จำเป็นต้องใช้กับทางโลกตอนที่เราเกี่ยวข้องกับการงานอะไรต่างๆค่อยเอาสมมติไปใช้นะเพราะนี้เป็นสมมตินะค่อยเอาสมมุติไปใช้แต่ถ้าแท้จ ร, รจริงแล้วปรมัตธรรมจริงจริงมันมันไม่ต้องใช้ในในการภาวนาแบบที่เป็นสภาพที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ต้องใช้ ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นอันนั้นค่อยเอาไปใช้นะีนะ่อันนี้คือสภาวะปัจจุบันจริงให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะวางความสงสัยวางคํานตะ่อวางสมมุติต่างๆในะขณะที่เราภาวนาวางไปเลยนะอืมไอ้ที่เคยได้ยินได้ฟังนะก็วางนะบางทีบางทีจะคิดคิดเรื่องธรรมะนะคิดเรื่อง อาการธรรมะต่างๆไปเทียบเพียงอันนี้ก็แสดงว่าเราหลงไปไปติดกับสมมตินะ่ะแม้แต่สภาวะธรรมที่เป็นชื่อธรรมะก็ก็เป็นสมมุตินะ่ะเหมือนที่หลวงพ่อเทียนต้องบอกเกลือไม่เค็มพริกไม่เผ็ด น, นะคือสภาวะที่ปัจจุบันจริงๆถ้าไม่ได้เอาสัญญาในอดีตมาบอกว่าเกลือมันเค็มพริกมันเผ็ดอันนั้นคือสัญญาในอดีตซึ่งมันไม่ใช่ในปัจจุบันที่ท่านสัมผัสกับตรงนั้น ท่านสัมผัสกับตรงนั้นคือมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เค็มไม่ได้เผ็ดมันเป็นสภาวะปกติธรรมดานะหรือแม้แต่ความกังวลอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอมีอาจารย์ถามว่าถ้ามีเสือที่โดนยิงอยู่บนอยู่ในป่าแต่ถ้าท่านจําเป็นต้องเดินผ่านป่า น, นั้นท่านจะกล้าไปไหมท่านก็กล้านะไม่ได้ว่าเออเสือมันน่ากลัวหรือว่า เราผ่านป่านนั้นต้องเจอเสือแน่แต่ความคิดของเรามันปรุงแต่งว่าเสือมันน่ากลัวหรือว่าต้องเจอแน่มันทําให้เราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนแต่แท้จริงแล้วถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไอ้ที่ได้ยินมันก็ได้ยินนะแตไ่ไม่ต้องไปปรุงต่อนะมันก็รู้ว่าเสือมันดุร้ายแต่มันก็ไม่แน่ว่าเราจะต้องเจอเรากนะ็อยู่กับปัจจุบันเมื่อไปเจอแล้วค่อยไปแก้ปัญหา เมื่อไปเจอแล้วก็ค่อยไปเผชิญหน้ากับอารมณ์โดยสถานการณ์ไปเนะี่มันเป็นสิ่งที่เราก็สามารถเกี่ยวข้องได้อันเนี้ยเนี่ยคือเราเราต้องรู้ทันเนาะบางทีในการภาวนาของเรามันก็ถ้าเราไม่ทิ้งสมมุติต่างๆเนี่ยมันก็จะไปติดเยอะแยะมากมายนะอืหรือในชีวิตปราจำวันเองก็ดีถ้าเราฉลาดในการใช้สมมุตินะแล้วก็ มีสติปัญญาไม่ไปติดสมมติเนี่ยมันก็จะทำชีวิตขอเรามันมันอะไรเนาะมันเบาสบายเยอะนะอืมมันทีเรามีข้าวของเครื่องใช้แล้วมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายก็เพื่อเพื่อกลัวก็กลัวความไม่มั่นคงปลอดภัยนี่แหละนะใช่ไหมแต่จริงสติปัญญาเนี่ยมันค่องแค่วมันปรับเปลี่ยนได้นะน่เราเราก็ให้เราดูดูตรงนี้ในการภาวนา ให้อยู่กับความจริงในะแต่ละขณะไปเลยนะปัญญามันไม่เที่ยงนะพระเจ้าก็สอนไว้นะปัญญาความจําได้ไม่รู้ต่างๆเนะี่ยมันไม่เที่ยงหรอกนะอืมมันมันเป็นแค่เนะีความจําได้แต่มันก็ลืมบ้างลืมบางทีมันก็ไม่แน่เนะี่ยมันก็เป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งมันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเราได้ยินว่าที่พูทโธเห็บเยอะเนะ มันก็เป็นความจริงเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อพรษาที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็อาจจะน้อยหรือไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเราโดนโดนสัญญาเข้ามาหลอกเรื่อยเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขนะหรือเราก็ไม่ต้องกังวล น, นะแเราจะกลับไปที่บ้านที่ทำงานนะอองไม่กี่วันข้างหน้าจะไปเจออะไรก็ ไม่ต้องกังวล น, นะเจอแล้วก็ค่อยเผชิญหน้าทีละขณะทีละขณะเจอคนในบ้านเจอพ่อเจอแม่เขาจะาแสดงอาการอย่างไดก็ไม่ต้องกังวล น, นะเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันตอนนี้พอนะพอเราไ ป, ไปเผชิญหน้าถ้าเรามีสติเรามีสมาธิดีนะเดี๋ยวมันจะมีมีตัวเตือนหรือว่ามีตัวคอยบอกเองว่าเราควรจะทําอย่างไรเราควรจะพูดอย่างไร เราควรจะวางใจแบบไหนนะไม่ใช่แค่ว่าพูดหรือว่าทํำนะเราควรวางใจแบบไหนด้วยในการเกี่ยวข้องกับเขานะอนะอันนี้มันก็สติมันจะคอยคล้ายๆมันจะตามไปเป็นเพื่อนคอยคอยเตือนคอยสะกิดให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างได้ย่างเรียกว่าไม่ทุกข์นะนะอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกใจเขาไม่เป็นไรนะแต่เราไม่ทุกข์โอเคละอืม อาจจะไม่ได้ผลแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราไม่ทุกข์ใจเนี่ยอ่ะถือว่าโอเคล ะ, ะเราไม่ได้เน้นไปเพื่อการทำให้คนอื่นเข้าใจตัวเราเราไม่ได้เน้นไปเพื่อการเอาชนะคนอื่นแต่เราภาวนาเพื่อรู้ทันอารมณ์ในใจของเราเองแล้วก็แล้วก็เป็นปกติได้อันนี้นการภาวนาไม่ได้อ่เรียกว่าสามารถทำได้ง่ายับ แค่ ก, กลับมาอยู่ปัจจุบันนี่แหละนมันก็สามารถทำได้แล้วตอนที่เราเกี่ยวข้องกับการงานค่อยไปคิดวางแผนในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติจริ ง, รงมันคิดแล้วก็จบนคิดแล้วก็จบคิดแล้วก็วางได้แต่การที่จะเลิกคิดหรือว่าตัดความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีการศึกษาที่ไหนเขาสอนเราเนาะ เราต้องมาสอนเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้แหละเ ร, ร เ, ลนะเรียนรู้า ก, การเ ล, เรรกรเลเิกคนะิดท่บ้างเรียนรู้จากการเลิกเอาเหตุเอาผลท่บ้างเรียนรู้จากการเลิกเอาถูกเอาผิดท่บ้างเรียนรู้จากการเลิกเอาความชอบใจความไม่ชอบใจบ้างเพราะบางที century, ชีวิตเราก็ติดนะอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบนะนะถ้าเราไม่ไมเลิก เ, เรื่องพวกนี้นะมันก็จะ มันก็จะมีชั้นนะเข้าไปเป็นผู้ชอบผู้ไม่ชอบผู้เอาผู้ไม่เอาอยู่เรื่อยนะเราต้องเนี่ยเราเราเลือกเอาตัวเนี้ไอ้พวกนี้เป็นเป็นสังขารทั้งนั้นเนะสังขารการปรุงแต่งของจิตนะ่ะสังขารที่จริงมันก็ไม่เที่ยงนะนะเหตุการณ์หนึ่งบางทีเราก็ชอบบางทีเราก็ไม่ชอบเนี่ยเอาแน่อานอนไม่ได้นะอืมมันมันไม่ใช่ความจริงหรอกนะมันเป็นการหลงของเราเองนะ หรือมแต่วิญญาณการรับรู้ต่างๆนะบางทีมันก็หลอกเรานะอืมตาสมมติไปเห็นรูปถ้าจิตไปปรุงแต่งบงทีกลางคืนเห็นรูปหมาเป็นรูปผีก็มีอยู่นะเอได้ยินเสียงนะเสียงแมลงได้ยินเป็นเสียงอนะ่ที่มันน่ากลัวกว่าแมลงก็มีอยู่นะบางทีวิญญาณมันก็หลอกเรานะนะถ้าเรารู้ไม่ ท, ทันนันะ มันก็จะมีการปรุงแต่งไปสารพัดเลยนะนะแม้แต่ความนึกคิดภายในจิตใจบางทีมันก็ทําให้เราคิดแบบโอเวอร์อตัางภาพจินตานาการที่มันที่มันเกินความเป็นจริงก็มีอันนี้ยมันมันไม่เที่ยงข น, นาดั้นเราดูนะเราดูว่าเอออันเนี้ยมันหลอกเก่งเหลือเกินนะความคิดเนี่ยนะเรามาตัดความคิดนะเรามาหยุดความคิดด้วยกัน มีสติรู้สึกตัวเนี่แหละมันเป็นทางที่ที่ถูกแล้วนะไม่ต้องกังวลว่าเราจะคิดไม่ได้เนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่ฉลาดนะที่จริงอันนี้ยเป็นความฉลาดอย่างจริงเลยนะของมนุษยนะ์เราเก่งทางโลกมาเยอะแล้วนะแต่เราไม่ใช่ไม่ค่อยฉลาดในการวางใจไม่ฉลาดในการทําใจให้ให้ไม่ทุกนะอืมเนี่ยคือการภาวนาเนาะมีใครสงสัยอะไรไหมนะ ปฏิบัติทมวันนี้นะถ้าสงสัยก็ช่วงเวลานี้ก็ถามก็ได้นะเป็นถามจากสภาวธรรมในการปฏิบัติเนาะไม่ใช่ไปคิดหาคำถามนะคิดอยากได้ความรู้นะหรือว่าคิดว่าเอาไปใช้ในอนาคตย่อเนาะถ้าเป็นคำถามก็เป็นคำถามที่มัน ประสบกับกับเหตุการณ์จริงนะกับการภาวนาจริงถ้าถ้าถามแบบนี้ก็จะมีประโยชน์นะแต่ถ้าถามเพียงแค่รู้เฉยๆนี้บางทีไม่ค่อยมีประโยชน์เ <c oughs> พราะบางทีมันดูแล้วก็จําไว้แต่มันไม่ได้ใช้นะเหมือนเราถามต้นไม้นี้ต้นอะไรนะบางทีก็อาจจะรู้ชื่อแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการ นำมากินนำมาใช้อะไรต่างๆมันก็มันก็ลืมนะแต่ถ้าเป็นประสบการณ์จริงเนี่ย ก, ก็ก็ถามได้มีไหม ขึ้นเราก็จะหนึดหนึบทไปเลยอนยะ่างเงี้ยค่ะก็พยายามตอนนี้ก็จะพยายามกลับมาเหมือนเราเพ่งเราเพ่งที่มือดูจําหวะเคื่อนพอเพ่งแล้วมันก็มันก็เริ่มหนักหนักลวมันก็จะเริ่มเงี้หนักเขาเนะ้า <c oughs> ่อืม จะหยุดแล้วก็เริ่มใหม่ก็ได้แต่แต่แต่อย่าเริ่มใหม่โดยการไปเพ่งให้มันชัดแต่เราทําให้มันชัดเช่นน่ะเคลื่อนเคลื่อนให้มันชัดจะนะเคลื่อนแรงๆเคลื่อนเร็วๆน่ะมันมันจะมันจะชัดเพรมันแทนเพรมันเองโดยที่เราไม่ต้องเพ่งเพราะว่าพอพอเราทําชัดๆพอเราเราทำแรงๆนะมันมันจะเด่นขึ้นมาแทนที่เองโดยแต่ถ้าเพ่งนี่บางทีมันเหมือนคล้าย อาการเคลื่อนเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะเบากว่าเดิมแลแต่เพียงว่าเราไปใส่ใจในการดูมันมากเกินไปแบบนี้คือมันเพ้งนะแต่นี้การวางใจของเราก็ดูแบบธรรมดาเหมือนเดิมนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราเรเราเพิ่มกิริยาที่มันชัดเจนขึ้นอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอันมาว่าก็เปลี่ยนไปล้างหน้าเปลี่ยนไปเดินก็ได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆรินะแต่ถ้าพอไหวจริงกๆก็ๆๆๆๆๆก็อยู่เนี้ยถ้าเดินมาแหละแค่เปลี่ยน เปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความแรงนิดนึงก็กได้หรือว่ามองหรือถ้าจะหยุดก็หยุดตั้งใจมองให้มันแบบสบายๆหยุดหายใจเข้าหายใจออกสบายๆนะี่ก็ช่วยได้ม่วงมากอยู่ไหมอ่า พอนั่งปุ๊ทําได้สักคั้งหนึ่งเริ่มสังเกตว่าพอพอเผอฟุ้งมึนมันปุ๊มันจะตามด้วยกันเมื่องนะือแล้วพอเราไปตั้งใจมันปุ๊บมันก็ไปมึนแต่พอปล่อยปล่อยเบาๆมันมันก็หาทางหวัดได้แค่ไม้แค่ครั้เดียวค่ะอืเบาๆครั้เดียวพอเดี๋ยวกลับมาเผอปุ๊บมันก็จะเมื่องอีกค่ะ ก็ลองลอ ง, ลองทําใหม้มันชัดชัดขึ้นเนาะอย่างที่แนะนําลองดูแล้วก็แต่ระวังใจด้วยนะะวางใจว่าไม่ต้องไปวางใจว่าอยากให้มันหายมันจะหายไม่หายเรื่องของมันนะเราเพียงแค่เพิ่มกิริยาให้มันสดชื่นขึ้นนนะไม่ไม่ต้องไม่ที่สําคัญต้องต้องวางใจเป็นกางกับสภาวะที่ง่วงหรือสภาวะที่คิดเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนนะที่จริงนะ เอียงซ้ายเอียงขวาทำอะไรก็ได้มันทําให้ตัวเองกระจับกระเฉงขึ้นเช่นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกที่จริงเราเวลาเร า, รา ง, ง่วงเนี่ยมันไม่กระจับกระเฉงจิตใจไม่กระฉับกระเฉงร่างกายไม่กระจับกระเฉงนะซึมซึมเบอร์เบอร์รอนะล้วก็ทําให้มันกระฉับกระเฉงขึ้นไม่มีอะไรแต่อย่าไปอย่าไปเพ่งจ้องมันมันจะการเพ่งจ้อง นอกจากจะไม่ช่วยแก้ความง่วงแล้วมันกับเพิ่มความเครียดให้ก <c oughs> ับจิตใจนะจะไปคอยจ้องดูกายให้มันหายง่วงบางทีไม่ได้นะ ม, มันจะมันจะทั้งซ่มหรือว่าทั้งเครียดไปด้วยนะไม่ไม่่มมคอยดีเห่ือ้านั่งมันมง่วม่ได้สวหมนต์ก็ยังง่วงยิ้งตอนเช้าที่ขนาดตื่นแต่เช้ามาเดินกลมเป็นชั่วโมงสบายมาก แต่พอม า, อานนสาด <c oughs> มมเมื่อตอนเ้าเนี่ยมัสื่อแทบะลุดเลยไม่าว่าอยู่ในท่า น, นื้องก่อนอยู่ในท่าทงสรมาตอน่นันีไรอาจจะเป็นโรกส็ดพระโมคลานะ <c oughs> มีฤิ์มากฤทธิ์ทาให้ง่วงแต่จริงฤทธิ์จริงนะฤทธิ์คือทำให้ให้ให้เบิก บ, บานขึ้นมาก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรโยมก็ลองหาวิธีดูไม่เป็นไร เราก็ทําเล่นๆกับความง่วงนะอืบางทีตัวมาก็ชอบนวดหัวตัวเองว่างนะหรือบางทีก็นวดหน้านวดตาตื่นขึ้นมาบางทีครับบางทีลองอัดแบบนี้ก็ได้นะลองตรวจให้มันดังขึ้นสักหน่อยมันก็จะมันก็จะคล้ายๆมันก็ได้เป็นเสียงได้มันก็จะทําให้เราสดชื่นขึ้นอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครัอาจจะไม่ถูกกับท่านนั่งเท่าไหร่ <c oughs> ลองทำให้มันเร็วกว่า น, นี้สักหน่อยก็ได้นะยกมือยกมันเร็วกว่า น, นี้หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็เคลื่อนไป อ ม, มองแล้วก็พยายามมองมองไกลไกมองไกลไกหลวงพ่นะอเถียนจิตต้บอกให้มองไกลไกมองตรงตรงนอกจากบางช่วงที่จิตมันเป็นสมาธิแล้วอาจจะมองต่ำต่ำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแรกแรกก็มองไกลไกให้ให้จิตมันสบายสบายให้ปลอดโปร่งมันก็จะช่วยได้เยอะ การที่เราไปหาที่ีนั่งอะไรประมาณนี้นมแบบอ่ะมันเป็นความอยากหรือว่าความหยุดตกับกาหาที่หรือเปล่าอืมถ้ามีใหม่ก็ที่ที่สงบก็จะช่วยก็ก็หาก็ดีถ้าไม่ใหม่นะหมายถึงว่าหาที่ที่สงบหาที่ที่โปร่งหาที่ที่ที่แต่นี้ก็แล้วแต่คนอย่างตะมาณนี่ก็ ถ้าอยู่ในที่ปร่งๆก็จะภาวนาได้ดีกว่าการอยู่ในที่ทึบๆมืดๆนะก็อ น, นี้มันก็จะช่วยให้ใหจิตใจเราเบาสบายได้ก็ก็หาก็ได้แต่อย่าไปประเภทแบบอันนี้ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีหาวันหนึ่งหลายที่ <c oughs> นะอันนั้นมันมันไปหาแต่ภายนอกเกินไปเป็นจริงบางทีมันเราไม่ยังไม่ได้ให้เวลาในการตัวเองในการปรับตัวก็ ก็จะทําให้เราหาหาแต่สถานที่แต่เราก็ดูเลยฮะว่าอย่างสมมุติถ้าโยมเออเดินหาที่เดินน่งโลง่โลง อ, อแล้วก็ไม่ร้อนนักเนะี่ยเราก็อยู่กับมันไปเลยอแบบนี้ยสมมตอนะหรือว่าหาที่นั่งที่มันไม่ร้อนมีตรงโกรกอะไรนะนั่งเก้อกกาอี้ก็ได้นั่งคัตสมาธิก็ได้อะไรนะก็ เตรียมของให้พร้อมเตรียมเบาะเตรียมที่รองนั่งพร้อมครั้นี้ปเผชิญกันมาเลยไม่ต้องเปลี่ยนมาก <c oughs> เปลี่ยนนิดหน่อยเวลาปวดเมื่อยก็พอเนะก็ที่ที่เงียบก็จะช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าอันนี้คือเราเราอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถเลือกที่ได้นะเลือกที่ได้ก็เราก็เลือกสักหน่อยให้มันเป็นส่วนประกอบเป็นตัวช่วย อย่างใบางทีถ้าเราไปอยู่ในที่วิว ส, สวยอากาศปลอดโปร่งนะมันก็จะรู้สึกว่าจิตใจมันมันสบายมันสบายแต่บางคนเอามาสังเกตบางคนฟุ้งซ่านมากๆเขาใช้วิธีหันหน้าเข้ากำแพงเลยอืมแล้วก็ยกมือตรงนั้นไปเลยนะก็อาจจะแล้วแต่จะดตของบางคนบางคนทำแบบนั้นรู้สึกว่า มันช่วยให้ตัวเองไม่ค่อยฟุ้งซ่านแต่ถ้าทำแนอกเครียดก็อย่าทำนะแต่แบบบางคนก็อาจจะรู้สึกมันพอดีกับเขาก็ก็หาที่ปิดๆข้างในนะ ไทังไปไปภาวนากันต่อนะ